أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل ا بال عظيم الع الع اللهم الح لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديد ولك الحمد ب د, د, الح د ل رضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل ه إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كل, ول كل الكافلون لَقَرَّقَ اللَّهُ تَعَالَى ف ِ ي ك ت َْ ب ِ ي ل َ ك َ ر ِ ي م ْ بَعْدَ عُدْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سَنُقَرِيُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ อันนั้นอย่างงูเจ้าหัวและที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของสุร a อัลอาลมาทำความเข้าใจอัลกุร n านคพูดของพระเจ a h ซุบฮานุฮูอัลลาห์ผ่านความเข้าใจของสุล a ่านและแล้วก็บาลาปาดผู้ทรงคุณธรรมนะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นการขัดเกจิตใจของพวกเราให้ดีิ่งขึ้นเปการให้กำลังใจเป็นการ ทาให้เรามีจุดยืนที่เข้มแข็งแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ผู้อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาได้กล่าวไว้ครับว่าอิลลามาชาอัลลอฮ์นอกจากสิ่งที่พวกทรงประสงค์เพราะอะไรก็ตามในโลกนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านความต้องการความประสงค์ของพว้อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาก่อนซึ่งพู้อัล์ได้กล่าวาว่าอินนะฮุย่าละมุจฮารอกวามายักษฟาพว้อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาแนละเป็นผู้ที่รู้ดีถึงสิ่งที่ สั้นเลนแล้วก็สิ่งที่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจเราหรือสิ่งใดก็ตามเพราะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องอะไรก็ตามครับผู้รอสุภานตรทสงรับรู้หมดทุกอย่างแล้วผวูเราดได้กล่าวว่าไงต่อครับผู้รดกล่าวว่าแหวนุยะซิลูกแกลยุสอรอแล้วเราก็จะให้เจ้านั้นเป็นความง่ายดาดได้รับความง่ายใดยอย่างง่ายดาดหนึ่งในความง่ายใดยที่ผู้รอดสุภานุวตาลาจะให้ ซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าสมัครผู้แล้วพงให้อะไรก็ได้กับผู้ที่บ่งสรสสงค์แม้แต่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะคาดคิดก็ตามหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความผูกพันเนื่องของความรักใคร่แล้วก็เกลียดชังพี่น้องที่รักยิ่งครับแต่และท่านน่าจะเคยมีแหละหรือบางคนมีอยู่นะครับคนที่อาจจะชอบเราแล้วก็มีคนที่เกลียดเรา แล้วบางคนอาจจะเกลียดล้วแบบเกลียดเกลียดเกลียดแบบเกลียดมากๆเกลียดสุดๆเกลียดจนเราคิดไม่ออกว่าในดุนยาเนี่ยเป็นไปได้ยังไงที่จะกลับมาคืนดีกันได้บางทีเราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่าวานูยาซิรุการิวิสรอร์และช้เจ้านั้นได้รับความง่ายดายคือความง่ายดายที่ได้รับความง่ายดายอย่างง่ายดายถ้าพวกเราจะให้ไม่มีคําว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งเราเห็นประจักษ์นะครับด้วยกับสายตาแล้วหลายเหตุการณ์นะครับที่ คนที่เกลียดชังกันที่ไม่น่าจะหันหน้าเข้ามาหากันได้ก็สามารถกลับมารักกันได้ซึ่งเราก็ได้แต่ขอดูอาจากพวกลอสุภาหนุวัตลานะครับที่ความเกลียดชงังที่เกิดขึ้นระหว่างมุสลิมเนี่ยที่มันมีจนถึงปัจจุบันแล้วก็คงจะมีต่อไปในอนาคตเนี่ยขอพวลอสุภ า, าให้คนดีๆนั้นได้สามารถกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาช่วยกันทำสิ่งที่ดีงามสิ่งที่พลอลสุภานวุวตาลัก พูดถึงความเกลียดชังในยุคท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลของอาเลสซัลลัมนะครับท่านนบีเนี่ยเป็นแน่นอนเป็นบุคคลที่เป็นที่รักบาดะซอบารักท่านนบีมูฮัมหมัดสลลลรักมากกว่าใครก็ตามคนไหนก็ตามในดุนยาแล้วก็รักมากกว่าตัวของเขาเองแต่นี่นขนาดเท่กากันครับเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดสลลลคนดีขนาดนี้เป็นที่รักของคนหลายๆคนท่านนบีนั้นก็เป็นที่รังเกียจเป็นที่เกลียดชัง ของคนอีกหลายๆคนนี่คือธรรมชาติครับผมพี่น้องครับเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตนะครับเราจะเข้าใจภาษิตไทยนะที่เขาบอกว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคือถ้าเราดูผืนหนังเนี่ยหนังคนเรามีไม่เยอะเราจะเครียบมามันไม่ใหญ่หรอกแต่ถ้าเกิดเสือปูมานี่มันมันใหญ่มันกว้างเขาแปลว่าเอาจริงๆนะคนที่รักเราจริงๆไม่ใช่คนที่แบบยังไงก็ได้เอาแบบที่รักเราจริงๆเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่เกลียดชังเราเนี่ย โดยปกติแล้วเราอาจจะมีคนที่ไม่ชอบเรามากกว่าคนที่ชอบเราเพียงแต่เราอาจจะรู้หรือเราอาจจะไม่รู้อันนี้คือความจริงครับยิ่งเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อ พ, อ พ, อพอ AR, วรสุบานุตรามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสองขั้วที่ตรงกันข้ามเนี่ยสุดขั้วอยู่กับเขามากขึ้นเท่านั้นจะมีทั้งคนที่รักเขาคนที่ชอบเขาคนที่เห็นเขาแล้วรู้สึกมีความสุขกับคนที่รังเกียจเขาคนที่ไม่ชอบเขา แล้วก็หลายครั้งมันไม่เกี่ยวครับว่าไม่ชอบเพราะเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่ชอบเพราะเขาเป็นคนดีบางครั้งเรื่องของชอบไม่ชอบพี่น้องที่พี่น้องสังเกตดูนะคําว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลที่ดีซัพพอร์ตเสมอไปเพราะความรักในกุรฎานถ้าเราสังเกตดูมีทั้งความรักที่เป็นสิ่งที่ดีกับความรักที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีซุยนาลินาสิฮุบุามนุษย์นั้นถูกสร้างมา ให้มีความลุ่มหลงมีความรักเสพติดกับสิ่งในดุนยาอันนี้ก็เป็นความรักที่ว่าความรักทางธรรมชาติอาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีส่วนเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานุฮุวาตาลาครับพูดถึงคนที่เป็นมูนาฟิกหรือคนที่เป็นมุชลิกอยู่ให้พูนุมกระหุบบินแล้วบางส่วนเป็นมุชลิกครับกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับสิ่งนั้นมากกว่าที่ รักกับรอดอาจจะเหมือนกับเท่ากันแต่ว่าหลายเคสก็คือจะมากกว่าที่รักกับอรอดก็แปลว่าความรักมีทั้งความรักที่ว่าดีกับไม่ดีที่ยกมาตอนแรกกับความรักที่ว่าไม่ดีกับความรักที่ว่าดีที่พูดรอดสบายแต่เราบอกรอดนั้นรักผู้ที่กับเนื้อกับตัวรักผู้ที่รักความสะอาดเพราะฉะนั้นคําว่าความรักพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปยึดติดกับมันเยอะเกิน เราอยู่ใน ส, สังคมที่ว่าหล่อหลอมจะให้เรายัดเยียดให้เราคิดว่าความรักเนี่ยมันเป็นสุดยอดเป็นที่สุดของชีวิตซึ่งความจริงไม่ใช่ครับความรักที่สังคมยัดเยียดให้เราเนี่ยบางทีมันผ่านของที่ฮารอมล้วนเลยยัดเยียดความรักผ่านเพลงยัดเยียดความรักผ่านหนังยัดเยียดความรักผ่านนิยายยัดเยียดความรักผ่านอะไรก็ตามแต่ผ่านาสื่อต่างๆที่เขาจะยัดเยียดเข้ามาในหัวเราซึ่ง น้อยเหลือเกินที่จะเป็นความรักที่ดีงามความรักที่ถูกต้องเพราะปกติความรักที่ถูกต้อ ง, อว ค, วองความรักที่ดีงามเนี่ยมันมันไม่ค่อยดังครับผู้คนไม่ค่อยความสนใจเชยตอนไม่ช่วยส่งเสริมว่างั้นแหละครับแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเชยตอนมันช่วยเต็มที่เพราะฉะนั้นคนก็จะฮโล่คนก็จะชอบกันเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรกับคำว่าความรั ก, รกเกินขอบเขตในที่เนี้เรามาดูครับเพราะนั้นแปลว่าคนดีคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนเกลียดชังเขาได้เพราะเขาเป็นคนดี หรืออาจจะไม่เกีย่ยวเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นไม่เขาเป็นคนไม่ดีคือเกลียดก็เกลียดก็แค่นั้นไม่ชอบหน้าก็แค่ไม่ชอบหน้าแต่พี่น้องที่รักครับท่านอับดุลโมฮัมหม네ัดสุลต่านเนี่ยไม่ใช่แค่มีคนเกลียดท่านนะมีคนเป็นศัตรูแล้วอยากจะฆ่าเลยด้วยซ้ำพี่น้องที่ดูครับคนที่มีความคิดอยากจะฆ่ า, าต้องเกลียดขนาดไหนต้องเกลียดชังขนาดไหนแล้วคนที่อยากจะฆ่าท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านเป็นจํานวน Fourth, ไม่น้อยครับ วานยัสซีรูแกลิยุสซอร์ผู้ร้อยพวกเขาเหล่านั้นกลับมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักท่านอับดุลโมมัสลลอยสำรักแบบรักมากกว่าผู้ใดในโลกเป็นไปได้ไงสุบานเลาหรอถ้าเราคิดด้วยกับเหตุผลในดุนยามันไม่เมกเซนแต่พระองคกล่กาวว่าไงครับต่อให้พวกเจ้าเนี่ยใช้จ่ายทรัพย์สินหมดผืนแผ่นดินเพื่อให้หัวใจของคนมาผูกพันกันเจ้าทําไม่ได้หรอกแต่ผู้ร้อยเป็นผู้ที่ทําให้หัวใจนั้นมาผูกพันกัน ศัตรูที่คิดอยากจะฆ่าท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮะอิลราฮิมเมื่อถึงเวลามากล่าวกริมาชาด้าต่อหน้าท่านนบีเยอะมากเยอะมากหนึ่งในนั้นครับหนึ่งในนั้นคือท่านอุมะรยอัลอันหุตัวอย่างของท่านอุมะรัตเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดท่านอุมรัตเนี่ยเคยถือดาบตั้งใจจะไปสังหารท่านนบีมูฮัมมัดสลลลฮอิบราฮิม ตั้งใจจะไปสังหารด้วยความที่ท่านเกลียดชังอิสลามด้วยความที่ท่านเป็นศัตรูอย่างชัดเจนจนกระทั่งตอนที่ท่านกําลังจะตามหาท่านนบีเพื่อที่จะสังหารท่านนบีเนะี่ยมีคนบอกกับท่านอุมัตบอกว่าไงครับอุมัตเ อ, อ๋ยคุณจะไปสนประเด็นอื่นทําไมล่ะคุณจะไปเกลียดมสุสลิมทําไมตอนเนี่ยมันบุกเข้ามาถึงครอบครัวคุแล้วนะน้องคุณ เ, เป็นกอบอิสลามเรียบร้อยแล้วยังไม่รู้อีกล่ะครับน้องสาวของท่านนบี อ, อน้องสาวของท่านอุมัตเนี่ย ถ้าหญิงฟาติมาเนี่ยชื่อฟาติมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ลูกสาวลาบีนะเป็นน้องสาวของท่านอุมัตถ้าหญิงฟาติมาซึ่งนางนั้นก็มีสามีทั้งนางและสามีก็เข้ารับอิสลามแต่เข้ารับอิสลามแบบปกปิดไงครับเพราะรู้ว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยเกลียดอิสลามแบบเข้ากระดูกดำเลยเกลียดแบบเกลียดสุดๆเลยก็เข้ารับอิสลามแบบปกปิดแต่ว่าข่าวมันรั่วไหลพอข่าวั่วไหลปุ๊บก็มีคนแ KB ข่าวนี้ไปบอกท่านอุมัต พอท่านอมัตรู้ปุ๊บท่านอุมั ต, ปมตเปลี่ยนทิศเลยกําลังจะตามหาท่านอาบีตอนนี้เอะเก็บไว้ก่อนเคลียประเด็นในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปที่บ้านเลยเคาะประตูตึงๆเลยคนในบ้านนี่คือตกใจกันหมดเพราะอุมัตมาแล้วเพราานอุมัสเป็นหนึ่งในคนที่มีความห้าวหานมีความห้าวหานแล้วก็มีความดุจนกระทั่งว่าใครๆก็กลัวครับผม ท่านอับดุมฮัมมัดสเลอร์สลัมพูดว่าไงครับถ้าท่านอุมัตเดินเส้นทางไหนก็ตามเส้นทางนั้นเฉยตอนไม่กล้าเดินความดุดันของ birthday, AD, อ okay. ท่านซึ่งต่อมาก็มีความ إ ي م านที่มากยิ่งกว่าความดุดันที่เพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับท่านอุมัตเราเดียวบอกอันหูท่านอุมัตครับเมื่อเข้าไปครับก็ไม่ทันไงหมายถึงว่าน้องสาวท่านกับสามีนะไม่ทันกําลังเรียนกุรอานกันอยู่พอกําลังเรียนกุรอานกันอยู่ครับก็ท่านอุมัตก็เห็นไง พอเห็นปุ๊บเข้าไปด้วยความโกรธคนเราเวลาโกรธจัดช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทําอะไรไม่มีสติมากที่สุดท่านมาศโกรธจัดครับตบน้องสาวตัวเองซึ่งตลอดชีวิตท่านอุมาศไม่เคยลงมือลงไม้กับน้องสาวท่านเลยแล้วท่านก็แทบไม่เคยไม่ผมไม่เคยเจอว่ามีสายรายงานใดนะครับที่บอกว่าท่านอุมาศเคยลงมือลงไม้กับผู้หญิงผมยังไม่เคยได้ยินวุฒิลอออาลัมแต่คือทแ น, น่ๆใน น, น้องสาวท่านนี้ท่านไม่เคยตบตีเลย แต่นี่คือตกจะเลือกกบปากครับดูว่าความเกลียดที่ท่านอุมัตมีต่ออิสลามน่ะเกลียดขนาดไหนเพราะนั้นท่านใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะบางท่านอาจจะพึ่งเข้ารับอิสลามแล้วก็คนในครอบครัวไม่เข้าใจบางทีคนในครอบครัวหรือสมาชิกเนี่ยอาจจะมีความเกลียดชังอิสลามอย่าเลื่อชื่หวังในความเมตตาของผู้ลอสุบฮะนะฮุวะตาลลเพราะอะไรครับวานุยัสซีรุกร่ลิยุสรอผู้ลอสเป็นผู้ให้ความง่ายดเกิดขึ้นถ้าผู้ลอสส่งประสงค์ไปในหน้าที่ของเราก็ทําให้ดีที่สุดแค่นั้นแหละครับผม ท่ามาศครับหลังจากที่ตบน้องสาวตัวเองแล้วก็รู้สึกผิดเสียครับยิ่งเห็นเลือดไหลออกมาที่ริมฝีปากของน้องสาวตนเองพอเห็นนะครับคนเราเหมือนกันคนเป็นพ่อเนี่ยแหละบางทีโกรธหรือคนเป็นแม่บางทีโกรธลูกบางทีตีลูกแต่พออารมณ์มันเริ่มเย็นลงแล้วพอคิดว่าตัเองลงเมืออะไรไปบ้างรู้สึกผิดเสียครับท่านุมาศก็รู้สึกผิดครับทานุมาศก็เริ่มลดเสียงลงแล้ะพวกเธออ่านอะไรกันเหรอเมื่อกี้ ตอนนั้นน้องสาวกำลังเรียนอ่านคุรานอยู่ไงเรียนกุรานอยู่เพราะอายักษุรานประทานมาก็มาศึกษากคำพูดประทานอะไรลงมา น, น้องสาวบอกไม่ได้พี่อ่านไม่ได้พี่สกปกพี่ไม่สามารถจับคุรานได้น้องก็เด็ดใจเด็ดนะครับมาชาวล้อเพิ่งโดนตบมาแต่ก็บางครั้งเลยเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดมีความมุ่งมั่นกับอะไรสักอย่างนี่คือนางจะไม่กลัวอะไรอีกเลยนี่ก็น้องสาวไม่กลัวพี่ชายครับก็บอก บอกตงบอกใส่หน้าท่านอุมาศได้บอกว่าพี่นะตัวสกปรปกพี่อ่านไม่ได้ในตรงนี้ครับก็ในปริศาสตร์ก็มีสายรายงานที่เห็นต่างกันบางสายรายงานก็บอกท่านอุมาิก็เลยให้คน อ, อื่นหานอ่านให้ฟังแต่นกปริศาสตร์บางท่านก็บอกท่านอุมาศก็เลยถามว่าโอเคให้ฉันทํายังไงซึ่งน้องสาวก็บอกว่าไปอาบนา้ำซะให้เรียบร้อยไปทําให้ตัวสะอาดก่อนแล้วค่อยมาจับก็วาระนี้ก็เป็นความเห็นต่างปีดย่อยในเกตเล็กเกตร้อยนี้เก็บน้อยนะครับในเรื่องของช่วง เรื่องราวในตอนนี้แต่ประเด็นก็คือครับพอท่านอุมัตได้ยินพอท่านอุมัตได้ยินอัลกุรอานครับผมซูร่าเลยครับทดสอบครับพี่น้องแต่และท่านน่าจะได้ฟังกันบ่อยนะครับผมซูร่าต่อฮานั่นเองครับผมตอ่อฮะ ما أنزلنا عليك القرآن لتشك إ ل ا تذكرة لمن ي ب ش ى ت ن ز ل ا ممن خلق ا ل س ّ م ا و ا ل س م ا ب ا ت العليا الرحمن على أ ر ش ا ل س و ا ء له ما في ا ل س م ا ب ا ت وما في الأرض وما بينهما وما تحت ا ل ث ر ى وإن تجهر بالقول ف إ ن ه يعلم ا ل س ر و أ ق ف ى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ถ ل و م ู้มาพ ف ได้ฟั ر ا ัลกุ ه อ ช่วงแรกของซูร์รัตฮาท่านร้องไห้น้ำตาหลั่งเลยใช้อกสามศอกอก็ร้องไห้ได้ครับต้นมัดร้องไห้เลยซึ่งถ้าพี่น้องรู้ความหมายครับแล้วพี่น้องได้ภาษาแล้วพี่น้องจะรู้ว่าเป็นความไพเราะซูร์รัตฮ์นี้ก็คือเหมือนจังหวะจะ่าฮุ่นฮุเหมือนกับกาบกรทั่วๆไปที่บางทีมันก็จะลงท้ายแบบห้น่หนๆุแต่ที่ดูเหมือนฮุน่นฮุมันมีความไหลหรื่นมีความสมุดมันมีโฟล์ครับ แล้วไพเราะแล้วก็ความหมายก็ใช่อีกตัางหากสีหรับนู้ราเริ่มนกับต่อหาผูเร้องบอกเลยครับเราไม่ได้ประทานกุลามาเพื่อสร้างความยากลาบากกับเจ้านะนอกจากเพื่อเป็นการตักเตือนเป็นข้อเตือนสติสาหรับผู้ที่มีความยำเกรงเป็นการประทานมาจากผู้ที่สร้างแผ่นดินแล้วก็ฟากฟ้าที่สูงสง่งอัลลอฮฺมานผู้ทรงเมตตานั้นทรงอยู่เหนืออารัช ละหูมาฟิสมาวะติวมาฟิลัดสนับพง์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างในท้องฟ้าทุกอย่างทุกอย่างในปุณณแผ่นดินนั้นเป็นของพระองค์ซึ่งในแย่เนี่ยครับที่โพลัสตาบอกโพลสทรงรู้สิ่งที่ซ่อนเล่นรู้สิ่งที่เปิดเผยไม่มีพระเจ้าใด น, นอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงมีพระนามที่งดงามอันมากมายความหมายทั้งหมดเนี่ยพอท่านอุมาศได้ยินเนี่ยท่านท่านรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันคลายปมล็อกที่อยู่ในใจของท่านนะครับ คือเหมือนกับท่านเกียรติอิสลามแต่ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้นั่งศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงเพราะคนเราบางคนพอเกียดเลยปุ๊บจะไม่ยุ่งเกีย่ยวกับมด็ลค่ะจะไม่สนอะไรเลยคือจะปิดประสาทรับรู้ไปเลยแต่เนี่ยพอท่านุมัตพอมีสติมานั่งฟังดีๆพอได้ฟังปุ๊บท่านุมัต ร, รู้สึกว่านี่แหละนี่แหละท่านก็ร้องไห้พอท่านร้องไห้ครับท่านก็ถามน้องสาวว่าน บ, บีอยู่ไหนละ นบีอยู่ที่ไหนแล้วอยากไปหาท่านนบีในมือยังถือดาบอยู่นะท่านอุมัตไม่ได้วางดาบเลยนะครับมือยังคงถือดาบอยู่ก็ถามหาท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมซึ่งอย่างที่เรารู้ครับในช่วงแรกๆของอิสลามนั้นท่านนบีมสัมสตัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคร่บผมซึ่งอย่างที่บา ร, บ ร, บ ร, บรารูอครับใน่วงแรกๆของอิสลามนั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับ็มซึ่งอย่าดที่นราแต้ครัคน่วลแรกถืองอิสลามนั้ ถือดามาแต่ไกลนี่คนแต่ละคนกลัวเพราะท่านอมัตนี่เป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งอ่ะพี่น้องขนาดเข้ารับอิสลามแล้วก็ยังมีความน่าเกงขามซอบ้าก็ยังเกงกูเอ่อต้องใช้คําว่ากลัวแต่ไม่ใช่กลัวแบบที่กลัวพวกลอสวาโนวตารานะครับเราพี่น้องน่าจะเคยเวลาเราเจอคนน่าเกงขามว่าจะรู้สึกแบบเออไม่กล้าไปเล่นมุกด้วยไม่กล้าไปล้อเล่นมีอะไรก็พูดจริงจังพูดสีเรียดประมาณนั้นแหละครับผม แล้วเนี่ยพอท่านอุมาตมาปุ๊บเนี่ยชาบ้านหลายๆท่านก็อุมาตมาเอาไงดีเอาไงดีนี่ถือดาบมาด้วยนี่อุมัตเน่าจะเอาจริงแน่ๆเลยในที่นั้นครับใครอยู่ครับใครอยู่กับท่านอับดุลสลอมลุงของท่านครับท่านฮัมซาอัสรุลลอฮ์ผู้ที่ได้ฉายาได้สมญานามว่าสิงโตของขัวลัซซูปะฮานอัตตาลาท่านฮัมซาครับความกล้าหาญของท่านเนี่ยไม่เป็นสองรองใครความห้าวหาญความเข้มแข็งความแข็งแกร่ ง, ม ง, งไม่เป็นสองรองใครท่านฮัมซาบอกว่าไงครับ ปล่อยเขาเข้ามาสิคุณไปตื่นตระหนกอะไรกันเขาเข้ามาถ้าเขามาดีก็มาดีไปแต่ถ้าเขามาร้ายพวกเราก็กลุ่มผู้ชายเหมือนกันเราก็เป็นกลุ่มผู้ชายคือเราจะต้องไปกลัวอะไรล่ะถ้าเขามาไม่ดีเราก็จัดการเลยนี่คือท่านฮัมซาครับอสัสซาดลุดลลอฮ์ครับผมหนึ่งในบุคคลที่พระบัสซุบฮานุฮวาซารารักมากอีกท่านหนึ่งนะครับรายลาลลลลอฮุอะนุมวรดูอัน พี่น้องที่รักท่านอุมัตตอนมาหาท่านอบีมูฮัมมัดสโลโลห้องอะยเลยฮิวซัลลัมเนี่ยพอมาถึงเน่ยก็มาหาน บ, บี น, นบีนก็บอกให้เปิดทางให้ท่านอุมัตเข้ามาหาพอท่านอุมัตเข้ามาปุ๊บก็มานั่งติกดกับท่านอบีเลยไม่พูดอะไรนะนั่งมือก็ถือดาบนี่แหละแล้วก็มานั่งติด ก, กับท่านอบีมูฮัมมัดสโลโลห้องอัยเลยฮิวซัลลัมท่านอบีทํายังไงพี่น้อง ความห้าวหาของท่านนาบีไม่เป็นสองรองใครท่านนาบีกระชากคอเสื้อของท่านอุมัดกระชากคอเสื้อแล้วก็กระชากจนท่านอุมัดบอกว่าจนฉันเกือบหายใจไม่ออกเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัดสลลลของอัลลอฮ์สละลัมเนี่ยครับบางสารายงานบอกเนี่ยพระอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีเนี่ยมีพลังกาลังเทียบเท่ากับผู้ชายสี่สคนสังเกตได้จากตอนท่านทำกุรบานตอนเชือดสัตว์พี่น้องที่ดูท่านนาบีเนี่ย fight. เชือดร้อยตัวท่านเชือดเองซะส่วนใหญ่ กำลังกำลังมหาศารกระชากคอเสื้อท่านูมารครับแล้วก็บอกว่าทําไมเจ้าถึงไม่ยอมเป็นสักขีพยานยืนยันละ่ะว่าไม่มีพระเจ้าอันใดนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็มุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนาทูตของพระองค์ก็ท่านอบีถามกระชากถามซึ่งท่านูมารครับในตอนนั้นก็บอกว่าไงครับท่านูมารตอนนั้นท่านรู้สึกรู้สึกกลัวแวบหนึ่งเหมือนกันท่านก็รู้สึกกลัวแวบหนึง่ง แล้วท่านก็กล่าวกับิม่าชะฮัดะไม่ใช่เพราะว่าท่านกลัวท่านนาบีแต่เพราะว่าท่านมีอ ي م ا ن อยู่แล้วไงตอนมานี่คือตั้งใจมาเข้ารับอิสลามอยู่แล้วแล้วท่านอุมรัรก็ได้เข้ารับอิสลามซึ่งท่านอุมรัรก็บอกว่าย่าละสุรละท่านเนี่ยเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดแล้วในโลกเนี่ยถ้าไม่นับตัวฉันแล้วเนี่ยท่านเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแล้วฉันรักมากกว่าที่รักแม่รักมากกว่าที่รักพ่ออีก ท่านอบีมฮามัสรอสรันบอกว่าไงครับยังไม่ใช่อุมัตยังไม่ใช่อันเนี้ยยังไม่ใช่ท่านูมัตก็นิ่งไปพักหนึ่งซูบานับล้อพี่น้องท่านูมัตเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดมากเฉลียวฉลาดมากท่านูมัตนั่งคิดแป๊บเดียวท่านอบีพูดใหม่อาท่านอุมัตพูดใหม่บอกว่ายารโซล้อท่านเป็นบุคคลที่ฉันรักมากที่สุดในโลกรักมากกว่าตัวฉันเองสะ ท่า น, นา al an, อับดุลโมสลฮองอัลฮ์สั่งบอกไงครับอัลอานอุมัตอัลอานอุมัตตอนนี้แหละอุมัตตอนนี้แหละใช่แล้วนี่คือการสัตย์ที่แท้จริงซึ่งพี่น้องที่รักครับหนึ่งในเหตุที่ทําให้ท่านอุมัตเข้ารับอิสลามแน่นอนครับฮีดายะกันนําทางมาจากพวกลอฮ์บานุยะซิลูกะหรือยุสรอและใจจะรับความง่ายดาอย่างง่ายดาแต่อีกหนึ่งที่เป็นเหตุทุกอย่างมันมีเหตุมีผลเมื่อครั้งที่ท่านอับดุลโมสลฮ์ซามตอนกลางคืนท่านอบีจะขอดอุอม จะขอให้กับอุมมัดของท่านจะขอให้กับใครหลายๆคนหนึ่งในดุอาคือท่านนาบีขอให้กับท่านอุ ม, มัดด้วยท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวาลลอฮ์ลสละมได้ขอดุอาขอว่าไงครับท่านนาบีขอว่าอุาลลอฮ์โปรดให้ความช่วยเหลืออิสลามโปรดให้ความช่วยเหลืออิสลามด้วยกับชายสองคนคนไหนก็ได้ที่พงรักมากที่สุดหนึ่งในนั้นก็คืออุ ม, มัดคนที่สองก็คืออิบเนียชามอิบเนียชามก็คือแคบอบูชันอัมอิบเนียชามชื่อเต็มมานะครับผม คือขอพงษ์เนี่ยช่วยให้อิสลามเข้มแข็งขึ้นด้วยการคขรับอิสลามของหนึ่งใน2คนเพราะสองคนนี้ประการแรกเกลียดชังอิสลามสุดๆประการที่สองเป็นผู้ที่มีกําลังมีความสามารถท่านนบีก็ขอรับจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ขอพงษ์ให้ความชื่น อ, อิสลามด้วยกับการให้หนึ่งในสองคนเนี่ยได้คขรับอิสลามซึ่งพัลลอฮ์สุบฮานุแวลาก็ได้คัดเลือกคนที่ประเสริฐที่สุด ซึ่งต่อมาก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเป็นอันดับสองอย่างที่พวกเราทราบกันใช่ไหมครับผมก็คือท่านอุมัต์รยอลรอฮุอันฮูประเสริฐเป็นอันดับสองถัดจากท่านอบูบัคถ้าไม่นับท่านอบี ม, มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะไนฮูวัสลัมนี่คืออะไรครับวะนูยสซิรุกะหรือยุสรอแล้วเราจะจะรับความง่ายดดยนั้นอย่างง่ายดซึ่งประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับใน hadith ซีเรียนะครับท่านนบีมูฮัมมัดสลัดสัลลัมบอกนะครั บ, บ, รรบะะว่าไม่มี عبد มุสลิมจะ دعو ให้พี่เขาหรือน้องเขาด้วยเหตุผลลับๆแต่กล่าวว่ามุสลิมคนใดที่เขาจะขอดุอาให้กับพี่น้องของเขาอย่างลับๆ พูดถึงคนที่เราดูอาให้เขาแบบลับๆเรารักเขาแล้วก็ขอดูอาเขาเราไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เราไปดูารับๆมันคือความจริงใจที่มีห้างท่านอับุีว่าใครก็ตามะที่ขอดูอาให้พี่น้องเขาแบบลับๆเนี่ยมาลาิก้เพร่อมาลิกาได้ยินสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราขอไงมาลิกาก็จะบอกว่าขอให้คุณได้รับเหมือนกับที่คุณขอให้เขาเพราะฉะนั้นดูอาที่ให้แบบลับๆเนี่ยเป็นดูอาที่มีค่า ไม่ใช่ว่าต่อหน้าดูอาไม่ได้ต่อหน้าดูอาได้มันเป็นการให้กำลังใจมันเป็นสิ่งที่ดีงามขอให้เราเจตนาบริสุทธ์ดีงามเช่นเดียวกันแต่ยิ่งเราอยู่ตามลมพังอาจจะลุกมาละหมาดตะฮัดยุศแล้วเราขอดูอาให้ไข่สักคนนี่คือมาจากใจจริงๆนี่คือสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับในบันทึกจากท่านอุมมุมินีนมาดาของผู้ศรัทธาที่อัาอาชาครับพี่น้องหลายชาติน่าจะคุ้นเคยดนี้ ที่นางได้เล่าเขาามีครั้งหนึ่งเนี่ยพอนางอยู่กับท่านอบดเบี๋ยตอนนั้นนางรู้สึกว่านางรักใครท่านอบีมากเป็นพิเศษคือเรื่องความรักก็มีขึ้นมีลงถูกไหมครับเนืเพราะสามีภรรยามันก็มีขัดใจกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นเรื่องปกติภรรยาของท่านอบีแม่ของผู้ศรัทธาก็เช่นกันบางครั้งบางช่วงก็อาจจะมีช่วงที่น้อยๆหน่อยก็มีก็เป็นไปได้แต่ที่อาชาบบอกว่ามีบางช่วงที่นางรู้สึกแบบรู้สึกเพลียสุดๆเลยรู้สึกแบบว่ารักท่า น, นาแบบรักรกมากสุดๆเลย นางก็บอกว่าแารอซูลอลลอฮ์ช่วยขอด้วยให้ฉันหน่อยได้ไหมด้วยความรักใครอยากให้นบีขอด้วยให้ท่านนบีมุสลิมซามขอด้วยทันทีครับเมื่อภรยรยาที่รักขอปุ๊บท่านนบีก็ขอแล้วอัลลอฮ์โปรดยกโทษให้หนางไอชะรัไม่ว่าจะเป็นบาปที่ผ่านมาของนางหรือบาปที่จะมีต่อไปบาปทั้งหมดยกโทษให้หมดเลยซึ่งท่านนบีขอต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปที่เปิดเผยหรือบาปที่ซ่อนเร้น โอ้โหแล้วแบบนบีขอให้แล้วขอแบบไม่ใช่แค่ขอในแบบที่ผ่านมาพี่น้องขอต่อให้ไปล่วงหน้าในอนาคตแหละแล้วก็สิ่งที่มีคนรู้คนไม่รู้ขอให้ผู้ล้อยกโทษให้นายหมดเลยซุบานน้ำล้อเป็นใครจะไม่ไดีใจที่อยางชาบอกว่าไงครับอย่างไอ้ชาหัวร้ะเลยหัวล้อหัวล้อเลยจนกระทั่งว่าหัวแบบหัวเค้งหัวโค้งเลยนะครับผมด้วยคําที่นํามีความสุขเนี่ยท่านนาบีมุสลิมสัมพอดีินท่านบอกว่าไงครับ ที่ฉันดูอาให้เธอทําให้เธอมีความสุขขนาดนี้เหลยที่นายชาบบอกว่าใช่ค่ะยัสลัมวะท่านอบีบอกว่านี่คือดูอาที่ฉันขอเป็นประจําทุกครั้งในละหมาดให้กับประชาชนาของกันอัลลอฮุมะสซิลลัลมุฮัมมัดนี่คือดูอาที่ท่านอับดุลเบียมุฮัมมัดสุลลัมครับขอให้กับพวกเราทุกครั้งตอนนี้ท่านละหมาดขอให้พระอดยกโทษให้กับเราในบาปที่ผ่านมาของเราบาปที่ยังมาไม่ถึงของเราบาปในสิ่งที่เราเปิดเผยกับบาปในสิ่งที่เรา ซ่อนเอาไว้แล้วมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่รักท่านอบีุลมฮัมมัดสลุลตลานฮุยสลามอีกถูกไหมครับใครจะยังไม่รักนบีอีกซึ่งนี่คือวานูยสสัสซิลูกะลิล ย, ยุสรอครับก็ขอย้ํานะครับหากอยากได้ความง่ายใดเราก็ต้องพยายามทําตัวเป็นคนง่ายใดยิ่งเราทําตัวเป็นคนง่ายใดคนอื่นก็จะคบค้ากับเราได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นอย่าทําตัวให้เป็นคนมากเรื่องคนเรื่องมากหรือคนยากเพราะว่า มันไม่ค่อยมีอะไรที่จะดีตามมาครับวานุยัสซีรูกะลิลยสรอก็เป็นประเด็นที่คุยกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ได้รับสาระกันทุกท่านนะครับผม ى, พูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอมาพี่น้องมานลกทีด้วยแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็อัลฮัมดุลิลลาฮิราะบิลอาลามี en, นะครับก็ขอขอบคุณพระเจ้าสุภานตารีความเมตตาที่พระองค์นั้นมีให้กับ พวกเราทุกคนแล้วก็ขอพูลตอบรับดวงอาที่ท่านอับดุลลอฮ์สุลตานนั้นได้ขอให้กับพวกเราทุกคนด้วยเถิดอามินครับผมครับคุณอามีนนะครับสละม่าวารคุมสัลลัมตลลอฮบรกาตูแล้วก็คุณโซลันีนะครับสลามาาล่าก็าากวาริุมสัลามตลลอฮบอรักาตูครับอัลฮัมดุลิลลาฮิมติมติฮิตะสิมุสลิฮัด้วยความเมตตาของลอสิ่งที่ดีงามจึงสาเร็จรู้ล่วงได้นะครับดวอามาด้วยก็ไหวไหอยากุมครับผมคุณส ก, กีนะครับ วายลิกุมิสาลามนะครับก็วายลิกุมิสาลามเช่นเดียวกันครับผมคุณฮาจัดแดงนี้นะครับสาลามทักมาคนแรกเลยนะครับก็วายลิกุมิสาลามอัลลอฮุ ว, วาบาริกาตูท่านใดที่ผมเห็นข้อความไม่ได้ตอบอะไรไปขอมาด้วยนะครับก็ขอตอบรวมๆเลยว่าวายลิกุมิสาลามอัลลอฮุ ว, วาบาริกาตุอินชาอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปเราก็จะมาคุยในยะที่9ต่อนะครับเฟรนด์กิ๊ i n น a นฟอาติดดิกรออาญาณี้แปลได้สองความหมายแต่ละความหมายนั้นยอดเยี่ยมและงดงามเพียงใดอินชาอัลลอฮ์เราคุยกันในครั้งต่อไปครับอะบูลูกาอุลีฮะดะบัสสักฟุลลอฮ์ฮะลิบัลละคุมบริษัทมุสลิมีน่ามิ่งคุณนับสักฟุลูอินูวลักฟูร์อาร์ฮิมสุบฮะลิขัลล